ความคิดไม่มีปรมัดแต่จิตมีปรมั์เจตสิกมีปรมามั์ในตอนเนี้ยหลงเลยนหะลงคิดรู้ให้ทันรูน้ไปจิตมันเบิกบานมันก็รู้ทันมันเห็นไหมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันเบิกบานมันก็ไม่เบิกบาน มันหัวดื้อที่สุดฉังมันไม่ได้ไงหนุนนาเออเหรือว่อออออก็นอนใช่มี่ฟัง่สเออนนอนไป แต่ว่าพอตื่นมารู้สึกตัวนะรีบรู้ทันใจหน่ยนะพอสมมุติว่าหลับไปพรู้สึกขึ้นมาอุ้ยน้ำลายไหล น, หนนะ่ไนนะไายก็รู้ว่าไอนะ้แล้วอะไปฝืนมันก็ปวดหัวเปล่า พระพุทธเจ้ า, าท่านก็ไม่ได้สุดโตว่าวห้ามนอนท่านก็ไม่ได้บอกให้นอนเยอะท่านง่วงท่านก็มีมาตรการ8ขั้นตอนคิดถึงสัญญาพิจารณาความรู้สาธยายมนยอนหูถูตั ว, ตวลืมต า, าดูทิศเหนือทิศใต้ทำอาโลกาประสินเดินจงกรมไม่ไหวก็ไปนอนซะจะทำสีั้ำเงินกว่า เราเรียกว่าไม่นอนแล้วดีแต่ต้องระวังเมื่อกินกิเลสหรอกก็อย่าอย่านั่งนานเลยนะเดี๋ยวเป็นอาตาัตัาเริ่มข า, านุน่งนอนดีกว่าโยทำอะไรลนะ่ะตอนนี้เผลอใช่ไห ม, มนะใจเผลอไปอยู่ ให้หัดดูเห็นนี่ได้กฏิบัติเห็นไหมว่ามันเกี่ยวกับรูปแบบอะไรทั้งสิ้นอืหัดรู้สึกตัวไปอยากพูดก็รู้ว่าอยากพูดบังคับมันแล้วก็รู้ว่าจ้องใส่มันอีกแล้วตั้งท่าจะเอาไปนาตายกับมันนะหลังจากเกิหลังเกิดก็คือรู้หลังอยากรู้ก็คือเหลือ ก็ฝึกมากๆากก็จะรู้เลยว่าอ้าไอ้ตาเผลอเนี่ยไม่ได้เจ็บขนาดจะเผลอมันก็เผลอการรู้ไม่ได้จงใจจะรู้มันก็รู้ไม่รู้จงใจนี่ไม่รู้จริงนะรู้ปลอมในที่สุดที่จะรู้เอ้ารู้กับเผลอบังคับไม่ได้รู้กับเผลอเหมือนฝั่งน้ำสองฝั่งแล้วติดฝั่งในฝังหนึ่งเราใช้ไม่ได้ใหม่ๆบอกฝึกรู้ไว้ฝึกรู้ไว้ คั้งสุดท้ายครูบาอาจารย์รวัดสายบอกให้ทิ้งรู้ซะแต่นี้ชิดเหรอโยสังเกตไหมว่าเรารู้ได้แว้บเดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มทำงานต่อเฮ้หน้าที่ของโยคือพอมันแอบไปทำงานเรี่ยจรู้ทันไวๆส่วนประเทศที่ว่าถามว่าทำอะไรลองยูง่ครับ อีเชั่วโมงถามทำอะไรอยู่ลอ้ออยู่ทั้เนี่ย <c ười> เลิกได้ละนะกิเลสตัวนี้มันหลอกลวงซ้ำซากเหลือเกินนะเออขออย่างนในเวลาลนะเดนะีเลิกกันแล้วกันทคานท่านเาเรา ถึงว่าเราเป็นเงโครที่ก็มันเกิดความสึกที่ติติหรร้าขึ้แต่เราไม่รแต่ว่ามันมันหรือม่ดับไม่อยากดับอยากดับไหมอยากดับรู้ว่าอยากถูกหลอกแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะดับความเศร้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะละกีตินะหลักของปฏิบัติจะให้แม่นแ่นเราจะรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นปอให้เป็นไป มันเป็นไปตามเหตุถ้าเหตุดับมันถึงจะดับไม่ใช่เพราะเราไปดับมันเข้านะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเคยได้ยินใช่ไหมถ้าเหตุดับมันก็ดับเห็นไม่ดับมันไม่ดับอย่างเราขับรถอยู่เงี้ยคนปาดหน้าเราปุ๊บโกรธถามว่าก่อนจะโกรธนี่ยจิตผ่านกระบวนการอะไรบ้างไหมมีเยอะเลยตามองเห็นรูปก่อนแล้วก็แปลว่าเขาปาดหน้านะ อ่านหน้าแล้วก็คิดให้ฆ่าแล้วอย่างนี้มันไม่ดีนิสัยเสี ย, ยดูถูกเรานี่อะไรเงี้ยต้องคิดก่อนแล้วตัดสินใจว่าเป็นอารมณ์ที่เลวแล้วเราก็โกรธเมื่อเราโกรธแล้วเราก็อยากไปปาดคืนแล้วก็เกิดพฤติกรรมตามความอยากคือไปขับปาดแกเขาทีนี้ถ้าเราจะเริ่องสติล่ะพอเราเห็นเขาปาดถ้าเรามีสติรู้ทันจบแล้วไม่คิดต่อก็ไม่เรื่องมาก ถ้าคิดแล้วให้ค่าว่ามันทําไม่ถูกรู้ทันอีกแล้วว่าให้ค่าเขาแล้วเกิดความเห็นแล้วว่าความเห็นอย่างนี้ถูกความอย่างนั้นไม่ถูกขึ้นม า, า, นาเีรู้ตัวว่าเราเกลียดเราก็แบบไม่คิประโยชในการโกรธตอบไอ้เงินสมถะละไอ้นั่นแค่นีนนพอโกรธปุ๊เห็นว่าโกรธอยากหยุดอยากเลิกโกรธรู้ว่าอยากความโกรธเป็นอดีตแล้วความอยากจะหายโกรธเป็นปัจจุบันจะรู้อารมณ์ปัจจุบัน อยากละความโกรธแล้วนะไปอยากละความโกรธแล้วความอยากอันนี้หลอกเราแล้ววิบคิดใหญ่โออย่าไปโกรธเลยโกรธ แ, แล้วเราเศร้าหมองเองเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะนี่สมถะแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเนะอย่าสู้อย่างขับรถเนี่ยพอเขาปาดกเห็นความโกรธความโกรธ ด, ดับ ที่ความโกรธ ด, ดูดูลงไประดับโง่เราเก่งจังเลยนี่เราโง่ต่างหากไม่ใช่เราเก่งจังเลยแตเราโง่จังเลยความโกรธเกิดจากเหตุคือการกระทบอารมณ์ที่เราคิดว่าไม่ดีแต่ถ้าเหตุดับมันถึงจะดับอย่างขณะที่เรามาดูความโกรธนี่ยเราลืมคิดถึงไอ้คนที่ปาดเราลืมคิดถึงไอ้คนที่ทําให้เราโกรธพอเราไม่คิดถึงมันไม่มีเหตุความโกรธก็ตับ เราก็เลยสําคัญจิตว่าอ๋อเราดับความโกรธได้โดยการไปรู้มันเข้ า, อ, าอีกวันหนึ่งมาดูเอ๊ะทาไมไม่ดับซักทีวันนี้ก็ดูไปคิดไปดูไปคิดไปก็ไม่ดับหรอกหรือความโกรธเกิดขึ้นอยากเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะดับสักทีลาคานมันล่ะลำคาญมานะัมนนั่ะความโกรธอีกตัวหนึ่งจิตใจกําลังมีความโกรธอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วคือโกรธความโกรธไม่รู้ปัจจุบันจะได้ แล้วก็ไม่ต้องไปดับมันนะหมดเหตุแล้วมันดับของมันเองถ้าเราไปดูแล้วเราดับมันได้เนี่ยเราจะเข้าใจจิตเราจะเห็นว่าจิตเป็นอัตตาบังคับได้เพราะถ้าเราฝึกกรรมฐานเก่งแล้วพอฟุ้งซ่านดูฟุ้งซ่านเนาะหายฟุ้งซ่านโกรธโกรธเนาะหายโกรธโอ้เราเก่งเราฝึกดีเราหลงกลเข้าไปจังเลย คําว่าเราเนะี่ยจะตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยคือเราเก่งนั่นแหละตัวโตวขึ้นโตขึ้นกองอืมทําไมล่ะให้คนไหนเขาปลดลูกน้องเรื่องเ้าเอาเราก็แล้วแต่เราปลดลูกน้องแบบอ๋อเราไม่ได้ดับมัน <c oughs> ถ้าเห็นดับมันก็ดับนะ <c oughs> ถ้าเรายังคิดอยู่มันกไ็ไม่ไม่เลิกหรอก แต่ถามว่าโกรธลูกน้องดีไหมโกรธอะไรไม่ดีจิตไม่สบายนะด่าลูกน้องดีไหมอาจจะดีคนละเรื่องกันลนะไม่ใช่เรื่องโกรธนี่ไม่ใช่ด่าเพราะโกรธนี่แล้วนะมันทํางานไม่เป็นสอนมันสอนมันไม่ฟังเข ก, ก บ, บาลมันให้มันรู้เรื่องเี่ยไม่ได้ทำเพราะโกรธคนล่านกันหรือเราชอบ เรียนธรรมะมั่วซั่วนะบคนคน น, ค น, นบ้านอยู่เนี้ยเช็คเด้ง10บล้านอุเบกขาโง่าตายเลยอุเบกขาใช้ธรรมะผิดหน้าที่เลไปทำธุรกิจแล้วทำอย่างนงั้นบอกอุเบกขาก็อย่าไปทำมันเลยเช็คเด้งแล้วอยากกลุ้มใจนอนไม่หลับกลุ้มใจริบรู้จิตรู้ใจตัวเองไปเห็นความกลุ้มไม่ใช่ตัวเรากลุ่มเป็นสิ่งแปลกลอมเข้ามา จิตใจไม่กลุ่มสมองปลอดโล่งนอนให้สบายตื่นขึ้นมาคิดว่าจะเอาเงินคืนได้ยังไง จ, จะฟ้องเขาดีไหมหรือจะประนอมหนี้หรือะอะไรก็ว่าไปไม่ให้เขาโกรดโกรคิดกูจะไปยิงมึง <laughs> พอมาฝึกขาพระภาพบาอกเฮ้ยอย่างนั้นไม่ถูกต้องอ่ะแมนผมอุเบกขาอีนี่โง่ซ้ำสองอโง่แล้วโงอ่อีกธรรมะไม่ได้สอนอะไรซื้อบื้ออย่างนั้น เผลอแล้วรู้ไหมเออหนาไม่ห้ามมันเผลอรู้ว่เผลอรู้ไวๆเพราะห้ามไม่ได้ไม่มีใครห้ามความเผลอได้เหมือนหายใจเข้าแล้วก็จะห้ามไม่ให้ใใ ห, ใหายใจออกก็ไม่ได้เความสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปเผลอมาแล้วก็ไปแต่ให้มันไปไวๆวกัน้มาแลว กลืมไปเลยเออเผลอแล้วขีดให้เยอะเยอะยิ้รู้ไใบใบเกมที่ให้ขีดแล้วดูว่าไปเกิดที่ไหนเนี่ยนะเหมาะกับอดูร้อนมึไหมพอเล่นแล้วหนาวติ๊กติ๊กติ๊กุดแต่อบายทั้งนั้นเลยนะเล่นแล้วจะหนาวมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องจริงๆเลยจะไปอย่างนั้นจริงๆเอา คิดเร็บแสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นกุศล น, นดีเหมือนกันแต่ไม่พ้นทุกข์ <c oughs> แต่ว่าไปสุคติก่อนแล้วไปอบายทีหลัง <c oughs> รู้สึกไหมนะ <c oughs> มันอยากพูดเราก็รู้มันเะยก็รู้ทันมันอย่างนี้เลยเห็นะ <c oughs> ไหมแอบไปคิดแล้วรู้ไหม <c oughs> ก็รู้ทันมันนะมากันกี่คนทีมนี้ห้าเหรอมากี่คนเนี่ยเอาใครที่มาใหม่ยังไม่มีหนังสือนะมีกันอย่างวิมุตติปัฏฐา ไม่มีไปเอาไปไปเอาที่โยงผู้ชายนั่นแหละมีหนังสืออยู่หลายประเภทนะรวมทั้งมีซีดีรอมด้วยนซะีดีหลวงปู่ ด, ดูลอะไรแต่ยยใด ไ, ได้ได้ไม่สงวนษาษานี้กิทธิ์หรอกเพราะไม่ใช่กองอาตมา <laughs> กีเป็นไปไลเข้ามาเหมือนกัน <laughs> ไปแล้วนี่ไม่มีคนอื่นเขาอ่านกันไปหลายรอบะนะ้วไปอ่านซ้ำๆเขาทำไมอันอื่นอ่านไม่ดีเรือไอ้อวิธีอ๋อเห็นมีคนเอาไปอ่านบ่อยๆจะมีคนฟังแ้ฟังแล้วฟังอีก <c oughs> <c oughs> ม, มีคนจะเอาไปอ่านบ่อยๆแต่มีพวกนั้นไม่ได้ให้เขาแล้วพวกศูนย์หนึ่งดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยน่พวกเขาเยอะกลัวเขามาเยอะ <c oughs> <c oughs> มาเต็มบัดเลยโอ้ยมาเยอะๆแล้วไปเรียนธรรมะได้ยังไง พวกศูนหนึ่งอพวกคุณอาคมนะเขาชอบทาบุญที่ไหนก็จัดขบวนรถบัสไปเยอะๆเข้าวัดไหนครูบาอาจารย์ก็เป็นลมวัดนั่นแหละ <c oughs> น่าสุดนี่ไปหาคุณแม่น้อยที่หินบังเป้งไปทั้งเยอะเนี่ยหลายรถบัสไปถึงเนี่ยอ่านประวัติคุณแม่ทราบซึ้งมากน้ำหูน้ำตาร่วงทราบซึ้งธรรมะ <c oughs> คุณแม่เป่าหัวให้หน่อยเนี่ยโอ้คุณแม่เป็นลมไปเลย เาคุณแม่ตั้งแต่เก้าสิบแล้วคุณแม่ลมใสไปแล้ววันนี้พอวันนี้คุณแม่ลมใสวันหนึ่งไปหาดับพลาสติกอะอะคุณแม่เคาะหัวคุณแม่เคาะแล้วคุณแม่ก็เลยล้มพับอีกล้มใสอีกแล้ว <c oughs> คือคนเข้าวัดม่มันมีหลายหลายแบบบางคนเขาก็สนใจอิทธิปฏิหารอะไรยเงี้ยนะ ก็สนใจปุ๋หายรูปแบบเลยก็จริงคือไม่งันเดี๋ยวต้อพกเขาแห่ตามกันไปจะได้รู้ทำพิชิมันลาบากนะเดินพิชิหมอก็ต้อการทุกคนจะมาฝึกได้ไม่ทุกคนเพราะบางคนก็ฝึกไม่ได้แต่ที่ฝึกไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมรู้สึกเอาไม่ยอม ทำเอาไม่ยอมรู้สึกเอาบางคนบางคนฟังประโยคเดียวเขาก็ารู้เรื่องแล้วมันไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้หรอกธรรมะที่อัจธ ร, รมาสอนไม่ใช่ของอัจธรรมาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเจริญสติสัมมาชัญญาไว้นี่พวกเราไปติดความเชื่อของเราเอางเยอะแยะเราเชื่อว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ ต้องเดินช้าๆสูเนี้เดินเร็วแล้วสติไม่ทันเราก็ฝึกเดินช้าถามว่าเดินช้าแล้วกิเลสจะช้าด้วยไหมกิเลสไม่ช้าด้วยหรอกเดินช้าแล้วกิเลสก็ยังเร็วเท่าเดิมนหละแต่คล้ายๆเราหลอกตัวเองไปเรื่อยๆแต่เราพูดมากก็สร้างศัตรูถึงว่าเออใครทําอะไรก็ทําไปเถอะถามว่าเสียหายไม่ไม่เสียหายทําไปเถอะแต่ว่าถ้าคนไหนวันหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมา ทำความเข้าใจได้ว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนหลักตัวธรรมะก็คือสอนอริยสัจเป็นกรอบกว้างๆหลักของการปฏิบัติเนี่ยท่านสอนกิจของอริยสัจวิธีทํากิจของอริยรรสัจสมถะเนี่ยก็มีกรรมฐาน4ี 4. วิปัสสนาก็มีสติปัฏฐานสสติปัฏฐานนี่ก็ยัมี2ออย่าง ส, <rir> สติปัฏฐานเบื้องต้น นะเป็นอนุปัสนาอห่างกายานุปัสนาแต่ว่าตามรู้กายเนืองเนืองเวทนานุปัสนาตามรู้เวทนาเนืองเนือ ง, งยังไม่ใช่ตัววิปัสนาะถ้าตรงวิปัสนาเนี่ยเขามีปัญญาประกอบลงไปนะเช่นเราเห็นกายเนะี่ยเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเราเห็นความโกรธผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เป็นแค่นามธรรมมันนึงถ้าเห็นอย่างนี้มีปัญญาแล้ว ร, รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก สิ่งองที่ผ่านไปผ่านมาอั น, นี้ถึงจะเริ่มภาวิจารนาตัวจริงนี่ของเราไปคิดว่าถ้าเดินท่านั้นท่านนี้แล้ ว, วูบลงไปแล้วเป็นวิจารณน์นาตันไรเรื่องกันเลยอาการของสมถะทั้งนั้นมีคนไหนฟังเข้าใจได้ก็เข้าใจไปนะไหนฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาทาอย่างนั้นก็เป็นคนดีแล้วมนียถามว่าไปฝึกมาเป็นคนเลวไม่ไม่ใช่ ครูบาอจารย์สอนให้เรามีศรัทธาสอนให้เรามีความเพียรใช่ไหมศรัทธาวิริยะสอนให้เราพยายามมีสติเรื่องดีๆทั้งนั้นแต่ถ้าใครเข้าใจได้มากกว่านั้นก็จะรู้จักสมาธิและปัญญาสมาธิคือการที่ใจเราตั้งมั่นแต่ที่ตั้งมั่นรู้สึกไหมว่ามันตั้งมั่นเวลาเรารู้สึกตัวไม่ใช่เอาไปตั้งแล้แข็งคึิกอย่างนี้แล้นั่นตรึงเอาไว้ไม่ใช่จิตตั้งมั่น ตั้งมั่นคือใจที่มันรู้ตัวไม่ไหลไปตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจถ้าไหลไปปุ๊บรีบรู้ทันรู้ทันเมื่อไหร่ก็ตั้งมั่นเมื่อ น, นั้นพอตั้งมั่นแล้วเราก็จะเห็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยผ่านมาผ่านไปเกิดปัญญาเนี mm ่ย hmm. ถ้าเราเข้าใจหลักอย่างนี้ได้เราก็ทําได้วิธีอะไรก็ได้เอาเ น, นี่ย mm hmm. อุบายอะไรก็ได้ mm hmm. แต่ว่าถ้าหลักการมันผิดเนี่ยสมมติว่าอา้า อ, อยัางธรรมกายธรรมกายสอนสมถาไม่ผิดหรอกใช้ได้แต่พะถึงท่านหลักการเนี่ยนิพพานเป็นอัตตาผิดหลักอริยสัจนะท่านบอกว่านิโรด น, นิโรธคือความดับสนิทแห่งปัญหาไม่ใช่เป็นโรคโรคหนึ่งเป็นลูกแก้วอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วหรือบางคนเนี่ยนิพพานเป็นเมือง อันนี้ตีออกนอกกรอบศาสนาพุทธแบบนั้นก็คุยกันยากมาแต่มาก็ไม่พูดด้วยไม่เถียงด้วยหรอกเชื่ออะไรก็เชื่อทำไปเถอะนะก็ดีกว่าเป็นโจรเป็นคนดีเนยาสายคุณแม่สิเหลือดีนสะ่วนใหญ่พวกปัญญาชนด้วย ถ้าไปศึกษากันพยายามเจริญสติทําสตินี่ถ้าใจกว้างนิดนึงมาเรียนเพิ่มอีกหน่อยนึงค่อยๆสังเกตเอาตอนที่เราทําสติเนี่ยมันแน่นๆใช่ไหมมันแน่นๆขึ้นมาแข็งๆขึ้นมาใช่ไห ม, มยอมรับว่าใช่ก็อย่างนี้ก็ยังพูดกันง่ายแต่สังเกตเมว่าใจมันหนักปว่าตอนที่ไม่ได้ทําเอ รู้ไ้ว่าจิตที่หนักหนักขึ้นมาเป็นอกุศลจิตไม่ใช่กุศลจิตหรอกมหากุศลจิตเนี่ยเบานุ่มนวลอ่อนโยนเบิกบานจิตยอย่างที่พวกเราเป็นนี่คือจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่แข็งแ็งทื่อๆนะอั่นอะกุศลจิตนะเรามีความเห็นผิดเราเข้าใจผิดเราไปสร้างอากุศลขึ้นมานะด้วยโลภะอยากปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์เกิดขึ้นมามีตัณหาแล้อยากปฏิบัติ โลภะตัณหาตัวเดียวกันนะกิเลสชนิดเดียวกันอยากปฏิบัติแล้วก็เราก็แน่นๆขึ้นมนาะจิต ท, ที่มีความทุกข์เป็นอกุศลและจิตแน่นอนเพราะว่ามหาอกุศลและจิตนี้มีเวทนาสองอย่างโสมนัสเวทนาความเบิกบานใจกับอุเบกขาเวทนาความเป็นกลางถ้ามีโทมนัตเวทนานักหนักแน่นๆ่นอกุศลชี้ขาดได้เลย กลายเป็นว well ่าพวกเราลงทุนลงแรงมากมายแล้วไปสร้างอคุศนจิตเราจะไปพบอะไร่ะพบภูมิใดรู้ไหมเนะไม่อยากพูดต่อเบิกบานต้องดูอีกถ้าถ้าถ้าหนักแน่นหนักหนักเนี่ยหนักหนักทุกๆเนี่ยผิดแน่นอนอกุศลแน่นอนเบาๆาเบิกบานเนี่ยอาจจะเป็นกุศนหรืออกุศลก็ได้ถ้าหนักนี่นิชี้ขาดได้เลยว่าผิด แต่เบาเนี่ยไม่แน่ว่าถูกนะเพราะว่าจิตอกุศลบางชนิดเนะี่ยจิตที่เป็นโลภามูลจิตนะนะมีความเบิกบานได้มีโสมนัสเวทนาไดนะ้อย่างเช่นคนไปยิงนกตกปลานะไปตกปลาเหือนะล่าสัตว์เหมือภูมงใจด้วยนะเป็นกีฬานะกำลังเบียดเบียนเขาอยู่แท้ๆเล ย, ยมีความสุขอยู่จับเข้ามาได้แล้วมีความสุข <Yeah. S 2> มีโลภะอยู่แท้ๆเลยมีความสุขอยู่แท้ๆเลยแต่ตกนรกแท้ๆเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติแล้วจิตเป็นทุกข์เราก็รู้ตัวเลยผิดแล้ว mm hmm. ถ้าปฏิบัติแล้วเบาเบิกบานต้องดูให้ดี mm hmm. ไม่แน่ว่าถูก mm hmm. อืเออถ้าเขารู้ว่าเขามีความสุขเขาก็จะไม่เหนียวไก่แล้วเมันทําไปได้กว่ามไม่รู้กระทั่งสิ่งใดควรทําไม่ควรทํำยังไม่รู้เลยจะถามว่ากาลังจะเชือดคอเขาแล้วมือปาดไปแล้วปุ๊บเกิดสลดสังเวชใจ รู้ว่าสังเวชใจเกิดกุศลแล้วแต่มันคนลัขนาดกันใช่ไหมตอนที่อยากฆ่านั่นขนาดหนึ่ง